วันที่ห้ายีมกราคมสองไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะพูดถึงวันเดือนปีเนี่ยตอนมันแกไปก็วปีใหม่ว่าที่หนึ่งก็ดีใจแต่พออายุค่อนคนเข้าไปแล้วก็น่ากลัวพปีใหม่ี้แล้วเ่ปีใหม่ีแล้วเนี่ยปกติอยู่ที่วัดไม่ค่อยมีกระจก มาอยู่ที่บ้านตระตุนี่เวลาอาบน้ำเลยไปส่องกระถุกอยู่ในบ้านใต้ผมกูหงอกขนาดนี้เลยเลยไปจะขึ้นหัวไปแล้วไม่นึกว่าแก่ขนาดนี้ที่สำาัจแต่ก็นึกอีกทีก็ภูมิใจมีอายุยืนยาวมาได้ถึงจนแกผมหงอกเป็นกับเขาเหมือนกันาานะจ๊ะกานที่จะตายระหว่างอายุสั้นๆก็อายุยืนมาได้เลย ทำไมคิดว่าเออมันคือมีความสุขดีได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมแต่ก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้มันคือประโยชน์นะคิดว่าทำเล่นๆหัวหัวไปตามเรื่เราปฏิบัติทำแจะทํำตามจังหวะเวลาชีวิตที่มันผันเปลี่ยนไปทีนี้ใครเห็นดีด้วยเขาก็เอาด้วยใครไม่เห็นดีด้วยก็แล่าไปไม่เป็ว่า มันเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เขาทำด้วยแล้วก็มีหู่มีคณะเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าช่วยเหลือใครและไม่ได้ใครมาให้ช่วยเหลือแต่มันเป็นอุรมณ์คติมันเหมือนกันความเห็นโลกกระทับธรรมทัศคล้ายๆกันก็ปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรซึ่งกันแลยกัน เดินทางไปด้วยกันเกาะแค้นจูงแค้นบอกกล่าวที่แนะเดินตามกันตไปเพื่อเป้าหมายของชีวิตเมื่อก่อนเราก็คงมีเป้าหมายเหมือ น, อนกันชีวิตทุกชีวิตคือเกิดมาแล้วก็พึ่งวีทนาอยู่กับความสุขความสบายของวีทนา แต่พอโตขึ้นหน่อยมันก็เวทนารู้สึกว่าันจะหาลำบากแล้วเวทนาก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นหนอยเมื่อก่อนกินอยู่ดูฟังก็น่าจะพอมีความสุขไม่ว่าจะได้มาทางไหนก็ตามกินอยู่ดูฟังเขามีความสุขกเอาละแต่พอมาถึงจังหวะเวลาชีวิต หน้าขณะนี้ก็กลายเป็นว่ามันไม่มีความจำเป็นและกินอยู่ดูฟังเองนะแต่ทำยังไงชีวิตนึงจึงจะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะมีสติอยู่ตลอดเวลาการกินอยู่ดูฟังเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบนิดหน่อยสำหรชีวิตซึ่งไม่ได้เห็นว่ามีความจำเป็นสลักสำคัญอะไร หน้าที่หลักของชีวิตก็คือการแสวงหาที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งที่ไม่เ ป, เ ป, ปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่เป็นอนิี้ยโตอะุปปธรร ม, มโมอปริหานธรรมโมอนุรักษนาภพภุเป็นโคตรภูุอะภพพาคมนุ ชีวิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมมมองเมื่อก่อนพึ่งรูปรถกลิ่นเสียงต่อมาแล้วก็พึ่งสภาพธรรมที่คือมีความรู้สึกเห็นว่ารูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยมันก็เป็นอนิจจ์มันเปลี่ยนแปลงเราได้อะไรมาก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิ่งตามทีนี้มันวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันไม่ใช่ความสนุก มันไม่ใช่ความเพลินแต่รู้สึกว่ามันเป็นความเหนื่อยเหนื่อยหน่ายในสังขารเหนื่อยไหนในความเปลี่ยนแปลงทั้ที่ความเปลี่ยนแปลง น, นั้นไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยที่เป็นธรรมแต่มันเกิดจากเหตุปัจจัยของความอยากเราก็เลยงดวิ่งในการที่จะวิ่งตามความเปลี่ยนแปลง น, นั้นมาศึกษาชีวิตดูว่าจริงๆเราทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเหรอ มันก็ไม่น่าจะใช่คือความเปลี่ยนแปลงเกามีอยู่แล้วดีย๋ยวนั้นมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่มีโลกในโลกเป็นเป็นสัตว์วัลโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลตัวตนเราเขาโลกนี้ก็มีคนโตคนแค้มีผู้หญิงผู้ชายมีสมณะชีพรามคาราวาจญาติโยม เด็กน้อยผู้ใหญ่มันก็เป็นลักษณะของนวัตกรรมทางสังคมที่เขาต้องสมมุติขึ้นมาว่าต้องมีคนนั้นต้องมีคนนี้เพื่อทําหน้าที่ประคองโลกอันนี้ให้มันเดินหน้าไปสู่ความเจริญที่อาจจะเรียกได้ว่ามันเสื่อมช้าลงหน่อยประคองสังคมให้มันเสื่อมช้าลง พราคนแต่ละคนในแนวความคิดจิตใจพฤติกรรมมันเข้าไปลงในร่องในรอยอันเดียวกันไม่ได้ก็เลยตั้งตั้งคนนั้นคนนี้ขึ้นมาดูแลรักษาเยียวยาเพื่อประคองพฤติกรรมมนุษย์ไม่ให้สร้างปัญหาให้กับกันและกันแต่มันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาส่วนที่เป็นสังขารสังขารเป็นความปรุงแต่ง คนแต่ละคนก็ปรุงแต่งตลอดปรุงแต่งวัตถุปรุงแต่งนมามธรรมทางด้านรูปด้านานามล้วก็ปรุงแต่งตามที่เห็นว่ามันควรจะเป็นยังไงปรุงแต่งตามทำอันหนึ่งปรุงแต่งตามกิเดสอันหนึ่งปรุงแต่งตามทมก็คือทำ <S <S ตามตา ม, ตา ม, ต, ามตามความจำเป็นตามที่มันควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไง ม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งแต่เพื่อประคองให้ธรรมะมันพออยู่ได้อย่างการปรุงแต่งในเรื่องของธรรมารมณ์เราพยายามเจริญสติจิตเรามันคิดมันฟุ้งซ่านเราก็เอาตัวรู้มาใส่เอาตัวสติมาใส่เอาตัวสมาธิมาใส่ทีเรียกว่าปรุงแต่งไหมเอเด น, น จะเรีกว่าปรุงแต่งก็ได้ไม่ปรุงแต่งก็ได้เพราะใจมันเฉยเฉยเราพยายามที่จะรักษาความความปกติของจิตให้มากที่สุดก็คือสภาพจิตที่มันมันมีพลังมีความสามารถที่ขึ้นมาที่มันปรากฏในใจเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาอะไรก็ได้แต่เรียกในภาวะหนึ่งคือยิ่งภาวะที่เราเอาออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งทําให้มันว่างเท่าใด ใจมันสงบเท่าไหร่ความปรุงแต่งบุกลอยเลื่อนหายออกไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยเราเรียกว่าเรากลับสู่สภาพเดิมของชีวิตตัวเองคือพัฒนาให้มันมันเป็นตามธรรมชาติมันสภาพทําแบบนั้นให้หลายคนไม่ว่าใครไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นอกจากคนผ่านสันดานยาวคือคนไม่เห็นไม่รู้แจ้งสัจธรรม เข้าถึงทําไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของสัจจะว่าอะไรคือทุกข์พอไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปพึ่งสิ่งที่มันมันเปลี่ยนแปลงและสนุกสนุกกับไฟที่มัน ล, น เ, ลนเผารนลอยเราโดดไปเท่านั้นก็นมีความสุขโดดมาตรง น, นี้ก็มีความเุาคิดว่ามีความสุขนะการที่ถูกเผาโดดไปโดดมานะเดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นพอเอาอันนั้นไปไม่ได้แล้วก็โดดไปเท่านั้น เอาอย่างอื่นพอเอาอย่างอื่นไปแล้วก็โดดไปตะโนนทานนี่พลิกไปพลิกมาจริงๆชีวิตแบบนี้มันมันถ้าเปลา่าผู้รู้ทั้งหลายท่านถือว่ามันเป็นความหลงความหลงอยู่ในสังสารวัตในการเบียนไหวของความอยากไหวอยู่ในความอยากจิตเราก็เหนื่อยนะแต่ละวันสังเกตไว้ทำการทางนานกลับมานี่เหนื่อยมากอ่อนเพลียละ เราไปวิ่งตามความอยากมันเวียนว่ายอยู่ในความอยากเดี๋ยวมันอยากกันนั้นให้อยากอันนี้ให้เราก็ทุกข์ทรมารในสิ่งที่เราไหว้มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นมายาเราไหว้อยู่เหมือนเหมือนคนที่ไหว่อยู่บนบกไนงะคือมองเห็นบกเนี่ยพื้นดินนี้ถ้าเป็นน้ําเรามองพื้นดินว่าเป็นน้ําแล้วเราก็ไหว้มันเป็นภาพมายาหลอกตาเรา แต่วันหนึ่งมีผลาดีอสองค์หนึ่งมาบอกเราหรือนักปลาชท์ผูรู้กูบายใจกันว่ามันไม่ใช่น้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นนั่นเป็นมายานะคุณลุกขึ้นมาดิเดินไปเลยเราก็ไม่เชื่อเราก็มีว่าท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านเดินให้เราดูเนี่ยฉันลุกขึ้นมาแล้วฉันเดินหนีได้นะเธอลองเดินเหมือนกันดิเอาลองลุกแตามันไม่ลุกกูจับแขนลุกตึงขึ้นแล้ว อ, อบเดินได้ เมือไหร่นเน่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพมายาภาพลวงตามายาในความที่เหมือนมีความสําคัญทั้งหมดเลยอันไหนก็สำคัญอันนี้ก็สําคัญอันหนก็นกจําเป็นอันนี้ก็จําเป็นไหว้นี้ยเอาจากพ่อจากแม่ก็ไม่ได้ไหว้นี้ยอาจากพี่จากน้องจากลูกจากผัวจากเมียเพรารู้สึกว่ามันขัดแข้งขัดขาไปหมดเลยเนะี่ย ลุกไปทางไหนก็ล้มตึงล้มตึงลงเพราะเราไม่เคยหัดวายแล้วเราในความรู้สึกว่าเราคิดว่ามันมีมันเริ่มมาจากไหนมันเริ่มมาจากใจจิตของเราเองที่มันเป็นมิจฉาทิฐิที่มันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแล้วเราก็วิ่งออกไม่ได้ทุกใจยิ่งวิ่งไปทางไหนพอมองอะไรก็เป็นตัวเป็นตนไปหมด ตอนที่เขาบอกว่ามันไม่มีนะเป็นอนัตตานะมันไม่มีนะไม่ไม่ดูดีๆ ด, ดิลุกขึ้นบ้างหนึ่งลุกขึ้นยืนบ้างหัดเดินบ้างเกาะแขนเอ้าเกาะแขนพระเดินไปเอารู้สึกว่าเดินได้เนะมื่อก่อนเดินไม่ได้ทีแรกก็ยืนได้ก่อนแล้วก็เดินไปแล้วก็กลับมามองไอ้จริงจริงมันไม่มีนะกูก็เดินได้อยู่ในวัน จะเริ่มมองแบบนันทีนี้เราหลงหลงในสิ่งที่ไม่มีว่ามีสิ่งที่ไม่มีว่ามีสิ่งที่มีอย่างนิพพานหรือความปกติหรือความว่างเนี่ยเรากว่ามันพึ่งไม่ได้เห็นความว่างเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวเห็นความว่างก็เป็นอาธรรมถ้าว่างแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาก็าจะใช่ มันจะเคว้งควา้างแต่ถ้าว่างแบบรู้เข้าใจสัมผัสได้ถึงความความว่างนั้นเป็นสภาพธรรมที่เป็นสมาธิเป็นสติเกิดขึ้นเพราะปัญญารักษาประคองอยู่ได้ด้วยปัญญาเนี่ยเราจะมีความพึงพอใจว่า น, นี่คือที่พึ่งของจิต ที่จิตมันควรจะอยู่พอมันวิ่งออกจากฐานวิ่งออกไปอยู่ความปรุงแต่งวิ่งเรอยความเสพคุนอยู่กับทุกเมื่อไหรก็ทุกเมื่อนั้นดังนั้นเรามาปฏิบัติทํานี้เรามาเปิดตาเราเปิดดวงตามาเบิกพนันตรมาประกอบตัวธรรมวัจจสุให้ปรากฏเกิดขึ้น คือดวงตาที่เห็นธรรมชาติเนี่ยตามความเป็นจริงดินก็คือดินอากาศก็คืออากาศทุก อ, อย่างมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรามืดบอดเท่านั้นเองเหมือนตัวเราเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เราก็สอนสอนให้กินข้าวสอนให้ลูกเดินสอนนั่นสอนนี่ในสุดเราก็ทาได้แต่พอโตแล้วเรากลับมาหลงมายาย ลงมาอางแล้วไม่มีใครสอนด้วยสังคมทั้งหลายทั้งพวงก็ไหวยอย่างสนุกสนานเพล่ดเพลินอยู่กับลาบยศสารเสร่ญเราก็กระโจนลงไปในนั้นล้วก็ไหวเหมือนกับเขาถ้าที่เกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่มีนะแบบเนี้ยใจเราก็สบายๆไม่มีอะไรไม่มีลาบไม่มียศไม่มีสารเสริญไม่มีการแข่งแย่งแข่งดีอันโน้นนี้ แต่พอเราเข้าไปในวังวนของสังสารวัตนั้นแหละเราก็เป็นคนหนึ่งที่วิ่งวนอยู่ด้วยความบ้าคลั่งตามกระแสเมื่อก่อนไม่ค่อยมีงานมีการอะไรเราก็ไม่ยุ่งยากอะไรรู้สึกว่าชีวิตมันโลดแล่นแต่พอถึงจังหวะหนึ่งเอาก็ไปได้แล้วโลดแล่นวิ่งวนแล้วเราก็ เวลาจะชวนศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือชวนลุกขึ้นยืนจากภาพเงาไมายาเรากลับบอกว่าไม่ได้ติดอันนั้นติดอันนี้มันเป็นเหมือนคนพระโยคีทั้งหลายท่านบอกว่ามันบ้ามัน บ, บ้าบ้าภาพมายาสิ่งที่มันไม่มีมันกลับเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันมีกลับเห็นว่ามันไม่มีอย่างสติสมาธิปัญญา หรือความหลุดความพ้นกับว่า unes, มันไม่มีแล้วไม่อยากแสวงหาอันนี้เพียงแต่ Ora, bits, Ana, ว่าสลัดอันนั้นหลุดก็จะมีอันนี้เท่านี้แต่เรากับหาอะไรเข้ามาในชีวิตเรามากผูกพันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าอันนั้นก็ไม่พออันนี้ก็ไม่พอไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเลอชีวิตเนี่ยไม่รู้สึกหม น, นพระสงฆ์ท่าเจ้ก็เที่ยวไปสอนที่นนที่นี่ไปบอกไปกล่าวภัยญาติโยมทําปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ธรรมจันย์เนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะเขามาปฏิบัติธรรมสักน้อยแล้วเขาก็จะไปลุยแหลกอีกเป็นปีปีหน้าก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านีย่ยังคิดอยู่เฮ้ยกูจะมาไว้เนี่ยพางทีก็มาปฏิบัติธรรมเพราะความเกลียดใจ ไม่ได้สแสวงหาสัจธรรมเพื่อทางออกของชีวิตที่จริงจังๆคือไม่ได้ถื อ, อว่าอันนี้เป็นกรรมมาวิธีในการที่ออกจากทุกแต่มันเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างเพื่อเพิ่มเติมรสชาติให้กับชีวิตระยะหนึ่งเท่านั้นคือออกมาสัหน่อยแล้วก็เข้าไปเมาอีกออกมาสหน่อยก็ไปเมาอีกอ เ, นะเมาทุกนะ เมาเงามายาที่มันไม่มีจริงเนี่ยไม่ไหลอยู่นั้นนั้นเมื่อเราทำไม่จริงทำไม่ถึงมันก็ไม่ได้พึ่งทำแต่ถ้าทำถึงเนี่ยจะได้พึ่งพระธรรมทำถึงคือทำอยังไงก็จนกทั่งมาดวงตามันปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่าที่จริงมันไม่มีอะไรอนี้เมื่อไม่มีอะไร ใจมันก็ไม่ไปยึดอะไรมันไม่ไปยึดไม่ไปยึดรูปรถอินเสียงสภาพมายาทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดว่ามันเป็นจริงมันไปติดไปเกาะไปยึดเนี่ยพอเราเกิดการรู้แจ้งมันหลุดออกจากตนนั้นได้แล้วก็โอ้มันมันอยู่กับธรรมชาติที่มันไม่ต้องปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ทกมันไม่ต้องรักษาเมื่อก่อนเราต้องตามรักษานะรักษาอารมณ์ รักษาแนวความคิดรักษาอุดมการรักษาความถูกความผิดรักษาสมมุติภาวะทั้งหลายทั้งปวงสมมุติตอนนี้เราก็รักษาไว้ทีนี้การรักษานี้รักษาด้วยเงินด้วยทองด้วยศักดิ์ศรีด้วยเวลาทั้งหมดทั้ไหลาทั้งปวงเนี่ยเอามาทุ่มเทในการรักษานี้ แต่ในสุดก็ไหลไปสู่ความตายเอาคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วมัวเล่นกับสมมติจนตายแต่ลคนเรารักษามมยาพะเนี้ยจนตายไม่ได้สาระแก่นสารของชีวิตเลยแลหลายคนนะเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันมันไม่พบของจริงที่จริงของจริงก็ปรากฏอยู่เพียงแต่ว่าดวงตามันไม่เปิดนี้พระเนตรพอกันมันไม่เปิด มันไม่เกิดปรากฏการณ์วันพระเจ้าเปิดโลกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าลงที่เมืองสังกัดสระนครวันเทโวโลหณะคือวันพระเจ้าเปิดโลกคือวันที่คนจะได้ดวงตาเห็นทําคนที่จะรู้แจ้งส่วนมากคือวันออกพรรษานั่นแหละวันออกพรรษานี่คือวันพระเจ้าเปิดโลกคือหมายว่าพระสงฆ์เจ้าหรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายนี่เขารวมกันจุดฝนปฏิบัติธรรม แต่วันออกวรนษานี่ยเขามาเปิดใจเขาเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกเปิดใจคือมาเล่าเรื่องให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติมาหนึ่งพรรษาสาเดือนนี่ยไดอะไรให้รู้ให้เห็นในส่วนตัวของเขาเองก็คือปฏิบัติสเดือนนี่เขาจะเห็นเน่ยเห็นความยึดมั่นยึดติดในความสะดวกสบายความเป็นอินเป็นพลมของตัวเองแล้วก็เห็นความทุกข์ที่ต้องทรมาน ในการมาสร้างสติสัมปชัญญะเพื่อ น, นำพาชีวิตตัวเองออกจากทุกข์ความยึดติดอ น, นันนะทุกข์ก็เห็นสุขก็เห็นนิพพานก็เห็นอะไรับหวอววันพระเจ้าเปิดลกให้มนุษย์เห็นเทวดาทเท ว, วดาเห็นเปรต เ, เห็นอสุรกายเห็นนรกเห็นสวรรค์คือมันมเปิดหากันแลาวมาปฏิบัติทรรมเห็นหมดนะความสุขก็มีที่ปฏิบัติทํานี้ สุขที่เกิดจากการไม่ปรุงแต่งก็มีสุขจากการกินการดื่มก็มีสุขเกือบจากความทุกข์ก็มีอ่ะแลหาความสุขได้จากความทุกข์เลยเรามารู้ว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ในความสุขพอเรามารู้ว่าสุขจริงๆก็มีอยู่ในความทุกข์อีกครคือมันเปิดออกซึ่งกันและกันเปิดหากันไอความรู้สึกความความคิดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง เขาเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกพระเจ้าคือใครพระพุทธเจ้านีา่แหละอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราเอาอะไรเปิดสตินี่แพุทธภาวะเนี่ยเปิดโลกทั้งหมดนี่เห็นกันเลยกันไม่เคยเห็นใช่ไหมไอ้ความทุกข์ในตัวเราเองเนี่ยความสกรปรกอสุภะทั้งหลายทั้งปวงเคยเห็นไหมถ้าไม่มีสติ มันก็ไม่เคยรู้สึกว่าอันนี้น่าขยะขย e งอันนี้น่าเกลียดน่ากลัวถ้าไม่มีสติก็ไม่เคยเห็นว่าความสุขก็อยู่ในนี้ที่เกิดจากความเหนื่อยหน่ายในสังขารความสุขที่เกิดจากการเห็นธรรมตามความเป็นจริงเห็นมายาคือมายาเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นความว่างเห็นความยึดติดตนี้มันเห็นตามความเป็นจริง พุทธะนี้เปิดให้เราเห็นนะเนี่ยพอทุกอย่างเปิดออกมาเอา้าที่จริงเราไม่ต้องไปทาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วโลกนี้เขาเป็นอย่างนั้นห้องเขาอยู่แต่มันเพียงเพียงความเข้าใจผิดที่ท่านเรียกว่าเราไม่มีปัญญาแต่พอพูดถึงปัญญาก็อีกละเราคิดว่าคนก็มีปัญญากันมาก จบชั้นนั้นชั้นนี้เรียนทนน่านนู้นชั้นนี้อันนั้นมันเป็นมายาไม่ใช่ปัญญาเียนหนึ่งเรียกว่าโลกียปัญญาปัญญาให้เราเวียนว่ายอยู่ในโลกีโลกีธรรมคือธรรมของโลกโลกเนี่ยที่เขาแสวงหาถ้าโลก้นคือเขาต้องมีปัญญาแบบนั้นแต่ถ้าเป็นโลกุตระปัญญาหรือปัญญาทแท้ๆนี่คือปัญญาต้องเห็นปัญญาที่เกิดจากการรู้การเห็น สภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงจะเห็นความเป็นจริงได้เราก็ต้องไม่ปรุงแต่งละจะไม่ปรุงแต่งได้ก็ต้องมีสติที่มั่นคงเป็นสมาธิอยู่กับปัจจุบันได้เห็นไหมเวลาเราอยู่ปัจจุบันได้แม้แต่น้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ยังปรากฏขึ้นมาว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เหรอชีวิตไม่ทุกข์เป็นอย่างนี้ไนดะ้ชีวิตไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้นะ แค่นิดเดียวเองนะนี่ยนะเรนะวก็ยังมีความภูใจยังมีความเอ่อปิมใจเหมือนกับว่าคนหิวโซมาไม่รู้กี่เท่าไหร่อยู่ๆก็มีน้ำพึ่งหยดลงมาถูกลิ้นเลี๋ยวมาต่ออายุเราไปได้นานถ้าเราตั้งใจฝึกฝนเอาสภาพท ร, รมันนั้นมาเป็นที่พึ่งกับชีวิตเลยไม่ดีกว่าเลยแทนที่จะทำบละเล็กเลนน้อยพอเป็นพิธีไปหลังจากนั้นก็วิ่งเขาไปในสังคมอีกครัวนึงวิ่งเขาไปในภาพมายา ที่เราสร้างภาพหลอกตัวเองเอาไว้นะไม่มีใครหลอกใครนะเราหลอกเราเราหลอกตัวเองว่าเราจะมีความสุขแล้วเราก็วิ่งก็หาความสุขจากมายานั้นแล้วเป็นยังไงก็บาดเจ็บกันออ ม, มาทั้งนั้นนะ่ละคนถูกความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงผิษสงของความเป็นทุกข์ของความเป็นหน้าตาที่ไม่เกิดปัญญารู้เท่าทันเนี่ยเปลียนมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมันเราก็เลยเป็นทุกข์ โชคขังเนี่ยคือสภาพธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงอริยบททั้งหลายต้องพวงเราเปลี่ยนแปลงนะขยับนั่นขยับนี่บางทีเขาบอกว่าอย่าขยับใบเพื่อจะดูสัจธรรมนะแล้วทนได้ไหมหมันแต่จริงๆเขาให้ดูใจดูใจใจนี้ไม่ต้องขยับไม่ต้องเปลี่ยนแนวความคิดแต่แข้งขาอันนี้เขต้องเปลี่ยนเพราะเป็นธรรมชาติของรูปรูปนี่มันเป็นอนิจจัง เราไปทำให้มันเป็นนิจจังไม่ได้คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้รูปต้องเปลี่ยนแต่อย่าเปลี่ยนเพราะความชอบอย่าเปลี่ยนเพราะความชังจะให้เปลี่ยนตามธรรมชาติที่มันเป็นจริงเห็นมันถ้าเราไม่เปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนจะทุกข์มันก็ขังเราแต่ถ้าเปลี่ยนเพราเปลี่ยนถ้าไม่มีสติก็ขังอีกคือให้เขืดอนยึดติดว่า เฮ้สบายอย่างอะทํานี้ทํำนี้นนนสบายแล้วมันก็ติดความสบา ย, ยนหละงั้นจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ตามนะ่ยถ้าอยู่ด้โมหะเนี่ยทุกภาวะของทุกข์มันขังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงมาดูดูชีวิตดูให้เห็นสัจจะที่เกี่ยวข้องกับรูปกับนามเนี่ยเรามาดูรูปานามนี่เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสัจจะของรูปของนามว่าเป็นยังไงแล้วเราจะได้ดําเนินชีวิตให้มันถูกต้อง ตามความเป็นจริงของรูปของนาม、ของปรากฏการของธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ที่ปรากฏอยู่ในรูปในนามเนมันคืออะไรให้จิตเรามาเห็นภาวะมันมันจะเกิดยังไงมันจะดับยังไงให้มาเห็นถ้าเห็นได้แล้วเราทราบซึ้งกับสภาพธรรมที่เห็นนั้นพอใจกับสิ่งที่ที่มันเป็น แลาวดำเนินชีวิตอยู่วันนั้นเราก็ได้พึ่งธรรมะเพราะเราทําถึงแต่ถ้าทําไม่ถึงเห็นนิ ด, นดหน่อยๆก็ไม่ได้นะได้พึ่งแต่ตอนตอนที่ทําเป็นบางทีบางคนได้พึ่งหนึ่งนาทีบางคนได้พึ่งสองนาทีสามนาทีบางทีชั่วโมงนึงแล้วก็หลุดไปได้พึ่งธรรมะน้อยๆนอกนั้นก็คือไปแล้วหลุดไปอยู่กามายาลย สนุกเมื่อไหร่เป็นทุกมันนั้นนะสนุกคนเนี่ยชอบสนุกชอบสุขสุขมันคู่กับทุกสนุกสนุกนั่นแหละมันไม่ใช่ความสุขของเรื่ความสนุกแต่พุทธธรรมนี่เขาเน้นความสบายความสบายความเฉยเฉยเฉยนี่มันไม่คู่ไ ม, ไม่มีมีคู่สุขคู่กับทุกผู้หญิงคู่กับผู้ชายหนาวคู่กับร้อนกลางวันคู่กับ ก, บกลางคืน ทุกอย่างเป็นของคู่กันก็เรียกว่ายมกพริยานแสดงยมกปฏิหารแนพภิธรรมยมกหมายถึงพูดถึงเรื่องของความเป็นคู่ตราบใดที่คนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ตรงกันข้ามกั้นแต่เมื่อไหร่ที่ไม่คิดว่าเป็นอะไรตัวเองก็คือธรรมชาติอันหนึง่งเฉยเฉยแล้วมันจะไม่มีคู่ เมื่อไม่มีคู่มันก็ไม่มีทุกมันไม่เป็นทุกถ้าอยากได้สุขมันก็ต้องทุกถ้าคิดว่าเป็นทุกก็ต้องแสวงหาสุขอย่างเราปฏิบัติ ท, ทำเนี่ยทีแรกเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นทุกในะชีวิตมันก็มาสวงหาพอเห็นโอ้ตัวเองเป็นทุกเป็นทุกก็ต้องทําให้พ้นทุกก็คือทําให้พ้นทุกนี่คืออยู่เหนือนะใครเรวโลกุตตรธรรมต้องอยู่เหนือเหนืออารมณ์เหนือโลกเหนือสัญชาตญาณ เรากับเข้าใจผิดนะเขาไม่รู้เขาบอกว่าให้พ้นทุกข์แต่เราก็ปฏิบัติทำเพราะเห็นทุกข์เราก็อยากได้สุขก็วิ่งไปหาความสุขพอได้สุขปุ๊บดีใจเห็นไม่เวลาเราได้อารมณ์มันเดินจมกองบรรทุกแทบตายหาความสุขพอได้สุขติดสุขเพราะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงไอ้ทุกข์เนี่ยกลับเป็นสัจธรรมมากกว่าความสุขอีก แต่เราก็ไม่อยากอยู่กับทุกข์ไม่อยากเรียนรู้จากทุกข์ทีนี้เขาไม่ได้ไปไปหาความสุขอันนี้ไม่ได้มาหาความสุขเขาถือว่าทำะหาทางพ้นทุกข์หาปัญญาเพื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เนื่องจากว่าบรรทัดถามทางสังคมเนี่ยเขาสร้างมาตรฐานเป็นกรอบเป็นบรรทัด ชีวิตบรรทัด ฐ, ฐานทางสังคมภายในระดับหนึ่งเราก็ไม่กล้าออกนะทั้งบางทีเราเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ทราบซึง้งมันไม่มีว่าอา้าวคุณเป็นอันนั้นนะคุณเป็นอันนี้นะคุณจะไปไม่ได้นะเนี่ยมันมีกรอบของมันคือมันจะลากไว้ดึงไว้คุณเป็นพ่อคนนะเนี่ยคุณเป็นแม่คนนะแล้วลูกคุณจะทํายังไงคุณไปเนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้ คุณเป็นพระนะเป็นพยาบาลเ ป, าาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นหมอนะคุณเป็นเจ้านายนะคุณมีบริษัท n นะเนี่ยมันสร้างก่อเอาไว้ไม่ธรรมดานะมายาเนี่ยแล้วก็ติดในเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่ทราบซึ้งกับปัจจุบันธรรมไม่ทราบซึ้งกับสัจจะไม่ทราบซึ้งกับธรรมชาติเราก็ไม่เข้าใจอะไรตามความเป็นจริงที่มันเป็นแบบชัดแจ้งขึ้นมา เราก็ไม่เลยเลยไม่อยากไปทําอะไรเพื่อเพื่ออันนั้นแต่เช่นไม่อยากมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อสัจจะมันก็ไม่อยากเอาจริงเพราะอะไรเพราะมันจะบอกเราว่าเราเป็นนั้นนะั้นนะเรามีหน้าที่อันนี้นะเออนนี้มันเนรคุณนะเนี่ยอันนี้มันเป็นบาปนะนี่ทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมนะนี่ทิ้งวัดวาอาวาให้มันเป็นบาปนะเนี่ยอกตันยูนะเนี่ย ทิ้งพ่อถึงแม่เห็นไหมทั้งที่ชีวิตเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราต้องแสวงหาความบริสุทธิ์ในสภาวะธรรมนั้นคือมันมันเป็นภาวะที่มันไม่ต้องเกาะเกี่ยวกับอะไรอะคือมันต้องเป็นหนึ่งไม่มันมีสองนะถ้ามันมีสองเมื่อไหร่เป็นยมกเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นตั้งพระยาตัง้งกแสดงยมกปาฏิหาร มันก็ไม่มีปฏิหารอะไรนะเมื่อไร่ที่คนรู้จักว่าทุกอย่างถ้ามีความรู้สึกตรงกันข้ามเนี่ยมันจะทุกข์ทันทีแล้วสื่อเราเป็นผู้น้อยแสดงว่ามีผู้ใหญ่ข่มคิดว่ามันมีชาตินี้มันก็จะต้องมีชาตแนาลจิตมันจะเป็นอย่ยมันมีภาวะที่มันครอบงํามอยนั่นเราก็มาเปิดมันออกให้หมดเลยเปิดดวงตายมันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี่ พอเปิดได้แล้วก็จะน้าตาไหลนะบางทีสงเพศเวทนากับชีวิตตัวเองงมงานานบางคนปฏิบัติทำว่าฉันจะรอให้แม่ตายก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมมากาลัวเนรคุณที่ไหนได้คุณนึกหรือว่าแม่คุณจะตายก่อนคุณนั่นแหจะตายก่อนแม่จะ ม, มีโอกาสได้เห็นแล้วก็พอใจแล้วเกิดมาชาตินี้จะต้องมาแล้นะท่านที่จริงความคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเรากลังได้ความรู้สึก ดีๆกลับมาบอกเออมันสามารถเรียนรู้พุทธธรรมเนี่ยเรียนรู้ธรรมชาติอนี้ผ่านการดำเนินชีวิตอยู่กับสังคมสามารถอยู่กับครอบกับครัวกำลังตำนี้ได้เพียงแต่ว่าเราไปเอาเค็ดรับหรือรู้จักสภาพธรรมวันนี้ตามความเป็นจริงจริงๆก่อนพุทธธรรมก็ไม่ได้สอนในปฏิเสธอะไรนะแต่พูดถึงว่าสภาพปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ย จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีโลกียะมันเป็นความรู้สึกของเราเองที่ไปยึดและไปสร้างสมมติครอบจิตเรเอาไว้มันก็ไม่หลดนะุดเนี่ยพอเราไปยึดติดเนี่ยอย่างเราเคยได้ยินว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดา ก็คือให้มันเห็นความเป็นธรรมดานั้นไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีผู้พ้นทุกไม่มีผู้เป็นทุกให้เห็นสภาพธรรมธรรมชาติเอาร่างกายสังขารเป็นธรรมชาติเกิดมาก็เป็นแบบนี้ธรรมชาติที่ทนได้บ้างทนไม่ได้บางทนไม่ได้ก็ยอมรับมันมันอาจจะมีเวทนามากมามหลากหลายก็ยอมรับจนถ้ามันเสื่อมไปเอา้าเวทนาหนักจะแตกกลับ้วเนี่ย ก็ยอมรับได้แม่ยอมรับได้เยอมยวแล้วก็คือธรรมชาติธรรมดาถึงเวลามันก็เหตุปัจจัยมันเกิดแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้มันมีธรรมชาติบางอย่างที่ทําแล้วมันมีความสุขนี่เออเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นแบบนี้มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยมันแต่ทีกขนาดมันก็เปลี่ยนแปลงหรือมันเปลี่ยนแปลงทุกขนาดเมื่อไรที่เราถอนอุปทานถอนความยึดติด ความหลงในอารมณ์เมื่ออยู่กับจิตที่มันว่องว่าไอความสุขที่เราว่ามันก็ไม่มีมันกลับเป็นปรากฏการณ์ของธรรมะที่มันพอทนอยู่ได้ท่านนี้อย่าเรากินอาหานี่มันมีรสชาตินะนรสชาตินี่มันเลี้ยงระบบของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้มันดำเนินไปได้ท่านี้ถ้ามันไม่อริอร่อยนะ กินอาหารเนี่ยมันไม่รวยเลยเนศูนย์พันหมดแล้วมนุษย์นี่คือมันไม่อยากจะไม่อยากกินคือมันไม่มีรถปีชาติแต่มนุษย์หลายหลายคนก็เพลินกับรถกับชาติก็ฆ่ามนุษย์อีกเหมือนเดิมคือมนุษย์ก็จะตายเพราะการกินอย่างปัจจุบันเนี่ยโรคอ้วนนี่ครอบงําไปหมดเลยประเทศแต่ที่มีความสะดวกสบายแล้วก็หลงภาวะหลงอาการอะไรลงไปแต่เราประเทศไทยเราก็ทําขายปัจจุบันนี้จะทํากิน โลอ้วนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นโลไรมันโลตับโลไตโลสารพาพเป็นก็เลยเพราะเราเพลินเนี่ยเนั้นไม่เพลินไม่เพลินไม่หลงไหลกับเวทนาที่เกิดขึ้นแต่เพื่อมันจะลงสังขารร่างกายนี้ตามความเป็นจริงแล้วกี่แล้ว ก, กินชาต ก็พอยมันไหลลื่นเป็ง่ายๆกลืนง่ายกินง่ายอยู่ง่ายเอามีเสื้อมีผ้าเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อมัความสวยความงามแต่เพื่อประคองร่างกายสังขารนี่เพื่อมันเป็นเป็นที่อุดจ่าตาเพื่อไม่ให้เกิดความละอายเพื่อดับความร้อนความหนาวโดยที่เราไม่ต้องเอาความสวยความงามความถูกความผิดความดีความชั่ว หรือเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้ามาแล้วบ่งบอกถึงยศฐานบรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมเพื่อการสแสวงหาลาภยศเสริมเพื่อให้มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมาป้อนใหือเกิดความสะดวกสบายขึ้นมาอีกนะมันบ่งบอกถึงความหลงทระมองเห็นอย่างเงี้ยตามความเป็นจริงชีวิตนี่นดาเนินไปง่ายๆนะง่ายๆนะ แต่แต่เราทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานในการที่จะต้องมาเปิดดวงตาตัวเองเปิดจิตเปิดใจเพื่อมันเห็นตามความเป็นจริงให้มันหยุดปรงุงหยุดแต่งเนี่ยพอวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยอยูแบบ่แวบแวบเดินไปสิเก้าบางทีรู้ไม่ถึงห้าเก้าเท่านั้นก็คิดแล้วยังไม่ถึงห้าเก้า วันที่ได้สิเดินไปจ้องดูจ้องดูคิดเลยยังคิดเลยยังคิดเรียนพอกลับมาทางโยกรมไป19กลับมา19คิดอีกแล้วคือมันดูดขนาดนั้นนะไอ้ตัวโมหะเนี่ยตัววิชาพอไม่รู้แจ้งเนี่ยมันจะหลุดไปกับความคิดความพลุงแต่งตเราเวลาแล้วออกไม่ได้มันออกไม่ไ ด, ออไได้ในหลายคนเขาเริ่มเอาความว่างเข้าไปเจือาอจารย์ชีวิตตัวเองมัน ความว่ามันก็มีนะคือเอาตัวสติเนะี่ยเข้าไปเจืออาจารนก่อนมีแต่คิดกับคิดมีแต่ปรุงแต่งเอาสติเข้าไปเอาระ ล, ลึกรู้เข้าไปก็เริ่มเห็นความว่างขึ้นมาบ้างชีวิตเริ่มมีช่องไฟสังเกตนะนั่นสนุกสนานนะวัยรุ่นอายุเนน้อยวัยทํางานสามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะี่สนุก<ม>แต่พอโตขึ้นอีกสหน่อยจะรู้สึกว่าโอ้โเสียดายกูเวลาเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมัวไปสนุกกับ สิ่งไรสลายแล้วมันเกิดการยึดติดพอแก่ๆอายุจะ50สิเลยขคือเราจะมาฝึกเพื่อให้มันออกมันไม่ออกนะสิ่งที่ติดคืออะไรก็สิ่งในอดีตนั่นแหละสิ่งในอดีตเลยฉะนั้นฝามันปิดแน่นเกินไปที่จะบอกว่าออกปัญหามามาทําวันพระเจ้าเปิดโลกคุณเปิดฝาคุณไม่ได้ชีวิตนี้ตายฝากูทําไมหนักจังมันเปิดไม่ได้ไม่มีโอกาสได้เห็นน่ยอริยพรมเทวดา มนุษย์ดิร่ฉันอสุรกายเปรตนรกนี่มันเปิดหางกันไม่เทียบไม่ได้คือเปิดใจให้มันมันเป็นเห็นภาวะที่มันอยู่เนี่ยมันหยุดคนเมื่อไหร่ที่เราหยุดคนเราก็เห็นอันนั้นกต่ดีนะเดี๋ยวนี้มันคนคนก็คือกวนตลอดเวลาหมุนตลอดเวลาที๋นี้พอหยุดคนทํำเฉยเนี่โอ้อันนี้ก็คืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะอันนี้คืออันนี้นะมันเห็นธรรมะคือธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์ก็คืออันนั้น เขาบว่าอะไรที่มันบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยหาสิ่งที่บริสุทธิ์เอาทองแดงแตะกั่วทองคําเพชรธาตุอะไรที่บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยมันจะมีราคาแพงมากเรามาปฏิบัติเขาก็มาเจรานายมาถลงุงถลงุงกิเลสออกจากใจและให้ใจที่มันสดใสมันไม่ทุกข์มันไม่จิตอารมณ์มันมีความเยือกเย็นความอะไรอยู่ทั้งในลึกๆเนี่ย แล้วมหาภาวะอันนั้นมหาความบริสุทธิ์มหาเพชรแท้มหาธรรมะแท้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถามว่ามันมีอยู่ไหมมีอยู่เมืม่อไหร่คุณหยุดคนเนะี่ยหยุดนปนปะปนหยุดคนหยุดอะไรมันก็จะปกติเพราะปกติแล้วก็หยิบเอามาใช้ในชีวิตเนี่ยก็มีแค่นั้นอันนี้จังก็มีอยู่แล้วทุกขังก็มีอนตตาก็มีทุกอย่างมี ธรรมะมีกิเลสมีเห็นแล้วคุณจะหยิบเอาอะไรมาใช้ชีวิตเนี่ยถ้ามันหยุดคนเราก็หยิบได้แต่ถ้ามันกวนกันอยู่เนี่ยมันหยิบออกมาไม่ได้ปัญหาของเราก็คืออย่างที่ว่าดวงตามันไม่มีมันไ ม, ม่สามารถที่จะเห็นพวกนี้ได้ฉนั้นก็ทาให้มันเฉยๆซะหยุดกิจกรรมแบบโลกโลกชั่วกู่ชั่วขนาดแล้วมาฟูมฟักไอตัวรู้เนี่ย มาบ่มเพราะทำให้มันเปิดดวงตานะยแต่ที่จะบอดไปตลอดชาติตเราก็มาเบิกพระเนตพระันรเราให้มันตื่นตัวเขาบอกว่าอย่างนี้นะชีวิตมนุษย์เนี่ยในนิทานนะสมัยก่อนเนี่ยมันปกติชีวิตเนี่ยไอ้ความปกติปกติคือความสร้างสร้างมนุษย์ให้เป็นพระจริงๆริงชีวิตนี่มันปกตินะ เหมือนอย่างในอคัยสูตรนะหรือในพรมชารสูตรแต่ไม่รู้ความปกติอ่นั้นมนุษย์แต่ก่อนไมนไม้มีมีแต่โลกนี้โลกโลกโลกโลกโลกนี้คือจิตแหละโลกนี้เขาสร้างขึ้นมาเอาสมมตินะโลกนี้ก็กลมพระพรมเป็นผู้สร้างโลกได้โลกขึ้นมาทีนี้มันก็ไม่มีมนุษย์ มีมนุษย์ท่านก็เลยสร้างมนุษย์มาประดับโลกอมเป็นมนุษย์เกิดมามีอายุ30ปีมนุษย์ใน้30ปีวัดมันมาเห็นโลกนี่แล้วมันมีใจยันอยากได้อันนัก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้โอยมีใจซับสมบัติทนะ้ออันนันก็มีอันนี้ก็มีนะพอสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทรน์สร้างอันดับอีวาสร้างอะไรนะ สร้างน้ําสร้างภูเขาสร้างป่าสร้างอะไรขึ้นมาแล้วมันรู้สูงมนุษย์เนี่ยมีความอยากเลยมันไม่ได้มองดูภาพนั้นเฉยๆเหตุแล้วมันอยากได้แต่มันก็เงียบเหงานอะมนุษย์นี่จังหวะมันก็เงียบเงยเขาลเลยโอ้ยไปขอร้องประหลอวะมันเงียบเงาเหลือเกินนะ่ะทรัพย์สมบัติก็มีบ้างไม่แต่ไม่มีคนใช้ด้วยไม่มีเลไม่ดิขอหน่อยได้ไหมขออะไรขอ เพื่อนมาร่วม ง, งานเนี่ยสักคนสักตัวสักอย่างอ้าพระพรมเลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเสยควายให้ตัวนึงเป่าลงมาเลยได้ควายตัวนึ่งมาเป็นเพื่อนช่วยไถนาเพื่อทำการทำงานควายมีลักษณะดันนะเอาทิง้งเอาจังแบกห้ามไม่บน่นไม่ว่าควายเนี่สู้ตายไถควายมีอายุ สามสิบปีควายมันบอกว่าควายไม่เอาอ่ะสามสิบปีตายพอดีเลยมอยู่กับโลกนี่เดยเฉพาะมาอยู่กับมนุษย์นี่ไม่เอาไม่เอาขอแค่สิบปีอะมันขอสิบปีเพราะว่ามันไม่เอาอ่ะสามสิบปีนี่แต่มนุษย์มันได้สามสิบปีแล้วนั้นไม่พอเพันไม่อยากได้มากกว่านั้นมาลัใช้ยคนไม่เอาคนเลยบอกว่าค่าเต้ะพรม เ้าไเรียขอได้ไหมไอ้ที่ควายมันไม่เอาเลยนะเท่าไหร่เอามันทิ้งไปแต่ทิ้งยี่สปีมันเอา10ิบปีมันว่า10ปีนี่ก็หนักพอตายแล้วควายเท่านี่ประมาณสักสิปีนะตายแล้วยิ่งปัจจุบันนี้มันกลับบ้านมันหมดแล้วนี่ได้ปีแต่ความพิเตอร์เอะไรนะคูบต้ามันกลับบ้านแล้วมันเบื่อหน่ายมนุษย์สโลกนี่จะทรมานเอาไถ่ไรไถนะเสียพูกค่ากินอะไรค่ากิ น, น, น ในนี้โครงการโคร้าลนตัวของรัฐมนตรีสุถทินก็นยากระบากไม่เอาควายสิปีพอทนระมานตายแล้วคนเอามาเป็นห้าสิบปีพอ พ, อาาพอัฒนาหลวมกันไปหลวมกันมาไปมาก็อย่างว่านะั่นแหละหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาข้าวได้มาเยอะแยะแล้วไม่มีคนดูแลรักษาวะ่ะ เลืไปยื่นดีกาต่อพระพรหมอีกว่าขอขอคนขอสัตว์มาเฝ้าให้หน่อยดิชีวิตเนี่ยมันแต่เงินทองข้าวของทําไรทํานาทําสวนมันไม่มีตัวแหนเฝ้าอย่าได้เพื่อนมาเฝ้าเฝ้าทรัพย์สมบัติให้หน่อยพระพรหมเอาไม่เป็นไรต่อไอไอจ่อหมาใหา้หมามาหมามาเฝ้าทรัพย์สมบัติเองจงไปอยู่กับคนนะ เองมีชื่อว่าหมาภาษาบาลีเรียกว่าสุนักสุนักแปลว่าผู้มีเล็บยาวผู้มีเล็บงามๆตัไหนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคุณสุนักเล็บงามเล็บแดงเล็บยาวสุนักเลยนะเอายมสุนักมาจะไหนจีไม่ได้พูดมันสุขภพนพูดว่าคุณโยมเล็บงามไหนๆแต่า เล็บนี่เขาไว้ขัดไว้เขี่ยไว้พวกเล็บยาวๆนี่มันตะกุยดินตะกุยเนี่ยเล็บมนุษย์นี่มันไม่เอาไว้ใช้งานนานคนละอันกันเอาไว้มันหุ้มหนังมือเฉยๆนี่ถ้ามันตัดสั้นมันก็เจ็บเนาะมันไม่รักษาหัวมันเนี่ยสามสิปีมันโวยไม่เอาอ่สสิปีจะไม่เอาให้รับไปได้สามสิปีมันมากไป มาเฝ้าให้กับมนุษย์เนี่ยไม่ได้นะแต่ยิ่งไปอยู่แถวท่าแรกก็ตายพอดีเลยทมเอาขอสักขอเป็นหมาเชียงรายเนี่ยไปเอาสักสิบปีคนรีบขยับเข้าขยับเข้าอนี้โอ้ยผมขอสักอีกสาวปีไหนยี่สิบปีเอ็งเอาไปทําไมวุ้ยามาประดับชีวิตผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่มาแล้วเกิมันมีความสุขในะโลกนี่มองไปท่าไหนก็สโสภาไปหมดเนี่ย จะเป็นเจ้าใหญ่ในคุมไปหมดแหละทุกสิ่งทุกอย่างข<ม>้าผมก็หัวเราะยิ้มๆนะไปซะเองเอาเอาเอาไปเติมมเองได้มาเป็นเท่าไหร่แล้วได้เนะจ็ดสิบเจสิทั้งเหนือเจสนะิอะไรนะโลงตาขี่รถมาได้กินกาลาโตอะไรนะีน่นะนากาลาโต มันแปลว่าน้ำกำลังต้มไ <c oughs> อ้ น, นี่ก็ลายเนาะไอ้ที่พูดไม่ชัดหนีก็ยังเอามาล้องใส่ในเพงกากาลงตะก็ลาโต้เก็เจ็สิอนาะยุให้เจ็สิแล้วทีนี้เอาายมาได้ตัวรักษาทรับสมบัติแล้วแต่พออีสะหน่อยช่วงหนึ่งตอนแก่มาเนี่ยตอนแก่เจ็ดสก็ไม่มีใครเฝ้าไม่มี ใครดูแลก็เรยวเฮตอนแก่ๆเนี่ยอย่าได้เพื่อนเล่นบ้างหน่อยเถอะหาสัตว์หาอะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นเพื่อนเล่นเนเขาเป่าอา้าวเอาลิงมาให้ทีนีจอภาษาสวยเนี่ยภาษาโซ่หมาเนี่ยไอจอนะแต่ถ้าจอเนี่เป็นลิงนะให้ลิงมาตัวหนึ่งอา้าวสามสิบปีลิงว่าไม่ออ ทุกตายเลย30ปีขอ1ิปี1ิปีกับการรับใช้มนุษย์สร้างความบันเทิงสนุกสนานตลกบก้าให้มันเนี่ยขอสิปีฉันก็จะอำลาโลกนี้แล้วไม่อยู่ด้วยคนว่ขอขอขอลิงทางปกากใต้ในี่ทุกตายเลยนะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นมะพร้าวทำโน่นทำนี่เขานุ่งผ้าถุงให้นุ่งกระโปรงให้ทำนั่นทำนี่โอ้ยน่ากลัวทุก ที่วัดก็มีลิงคนเอาไปทิ้งให้ทั้งก่อนไอ้ใบเอาไปให้ตัวหนึ่งไอ้ใบเอาลิงไปให้กลับกลายเป็นว่าพันธุ์ไม่มีขนไม่มีขนนะะแล้วไปลิงตัวเมียพิงกอดพรบกอดแบบมันก็อยากสงบนะแต่มาไกลไม่รู้ามาจากจากถ้าขามตัวไม่รู้นิง หมากัดเลือดเต็มเหน็บตัวบลิงก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งตัวไม่เลี้ยงหวไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงลิงวัดนี่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงสัตว์เดรัจฉานเอาแต่สัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์เขาอาบางตัวทนเองนบางตัวกขแมวพรามันเลี้ยงลำบากยากมันสัตว์มนุษย์นี่มันไม่พอใจมันฆ่านะแต่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็อย่างชั่วนะ โยมใบจะไปถาวายจะถาวายแต่มันมันติดติดไอ้ใบไอ้ใบก็ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมก็เข้าใจธรรมะไอ้ตัวใบนะครใบนี่หูจะหนวกด้วยแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรด้วยเวลาฟังเทศนกย์เขฟังดีอย่างนี้แหละเนีย่ยมิจจัตไม่มีเสียงสร้างเจ้าวะเวลาเข้าหัวเกก็กหัวตาม แต่ไม่ได้ยินนะไอจันหมอไปดูอารมณ์ดีจังเวลาไปสอบอารมณ์ก็โอ้ยคนก็ดูลงตางจะสอบแบบไหนเนี่ยแต่ละวันนะั้นเวลาไปถามมันก็เดินดีจังนะเราก็เอาหมดปัญญาเนี่ยแหละปัญญาได้มาขนาดนี้ก็สอนขนาดนะั้นกันมาเองมันมาปฏิบัติเพื่อแม่ปฏิบัติ ท, ทําเพื่อแม่ไม่ใช่เด็กนะแต่มันเขียนหนังสือเป็นนะปฏิบัติ ท, ทําเพื่อแม่ เพื่อคนนมใหญ่ๆนี่มันนะปฏิบัติทําเพื่อคนแม่สั่งมาปฏิบัติทดแทนบุญคุณเนี่ยมันชอบไปปูกกเบื้องไงวะที่มันเอาลิงมาเนี่ยไมไดรถามมันนะอันนี้ออกนอกเรื่องหมดวันนี้เป็นยังไงคิดมากไหมก็อนวันโอ้ ยุบยุบยุบยุบอยู่เต็มหัวเลยนีเขาบอกให้เอาสติมาไว้ที่เทา้าที่มือมาทำแต่มันมีแขนเหรียญ น, นะมีอะไรของปักใต้นี้นะจตุคามมีจตุคามด้วยน ะ, ะ, ะยนะใบก็ยังกลัวผีนะยังกับผีมันจะมากินนะี่ยก็เตรียมชุดมาเหมือนพวกเราเนี่ยนะออกไปวันทำไมแต่เป็นคนหนุ่มนะอายุจะสามสิบเลยนะี่ ถ้าเป็นช่างช่างก่อสร้างเก็บโทรศัพท์ได้ก็ไม่ยอมเอาเอามาแจ้งลูงตาเพราะทไมไม่เอาไปใช้ใช้ไม่รจะใช้ยังไงแล้วโทรศัพท์ยี่ห้อดีก็ไม่เอานะพราะไม่รู้จะโทรไปหาใคร<อ>แจ้ง ต, ต่เงินนี่เอาเก็บได้เนาแต่โทรศัพท์นี่ไม่เอามาคืนแต่มันรู้ เขียนหนังสือราคาโน้นแล้ว น, นี่มันคำนวณเก่งวันที่หนึ่งก็ไม่ได้เรื่องโอ้ยมึนไปหมดเลยไม่อยู่โ อ, โ อ, โ อ, โอ้ไปเรื่อยจิตนี่ไปปฏิบัติรุ่นนั้นพ่นหนังสือขาเพศมันจะเยอะมีแต่้าวสาวเพศเลยถามเป็นยังไงวันนี้ออสองวันแล้วไอ้นี่น มันทำไดาอย่างนี้นะอือเข้าใจหมดน้องพวกเธอก็เข้าใจนักเรียนอือเอ็งอืตามันมองไฟนี่นะแล้วมันเห็นแล้วก็มีแต่อันนี้ <S <S โอ้ไม่ได้เรียนแล้วตาก็ว่าเหมือนกันกับพระนั่นแหละ แล้วก็อย่างนี้นะถ้าพระก็คื อ, อ, อ, อมันหัวอพอล่อพอใจมันเหมือนกันกับมันนะถ้าไม่ให้มันเหมือนมันก็นจะว่ามันคิดอยู่คนเดียวไม่ดีทาได้เขบอกว่าเดินดตัดตัดตัดเนี่ยตัดบอกจะนั่งเราดีนดเวลาคุยกับ น, นั่งไหวตนที่สีที่ห ที่5เนาะวิ่งมาแล้วทีเนี้ยพอไปเดินของวิ่งมา อ, อ, อะไรของมันเออไปแล้วไม่มีเลยอ้เนี่ อ, อกหมดมันวมีแต่วายมีแต่ว่ายกับว่ายเอา้าบายมันก็แจ้งเหมือนกันเนะครับ คนไปมีแจ้งนะยิ้ใจเลยนี่เดินไปหาคนนั้น็นบอกเขานี่แต่ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าให้ตัดตัดแล้วจะพื้ อ, อ, อกอ้เชยมลองไปทำดูดิอย่าว่าแต่คนต่างประเทศไม่รู้ภาษาก็เลยลุงตาสอนแม้แต่ถ้าพูดไม่เป็นก็สอนมาแล้วนะเมื่อยังสว่างเหมือนกันนะเ้ง เดี ha the, oh, right, yeah, ๋ยววิ so aki, ่งไปหาพระโอนั out, ่นมีไปหาพรนี้มันมแจ้งนะมันสว่างได้ลุงเดินเวลามันเดินก็เดินเอาเป็นเอาตายเขาจังเดี๋ยวใครไปใกล้มันไม่ได้เลยต่อมาไม่สนใครอ่ะติดเครื่องยนต์ได้แล้วมันเดินแลกเลยหนังสั่งจังหวะเดินทำความเพียรเขาดีใจนะวันสุดท้ายว่าจะเอามาสัมภาษณ์ใส่ไม่เก็ทาดีอะ อันนี่พูดถึงคนถ้าตั้งใจจริงเนี่ยมันมันเป็นสภาพเหมือนกันคนเรามันมีรักมีชังมีโกรธมีเกียดไม่ว่าใบหรือไม่ใบคนอะไรก็ตามมันก็ติดความคิดติดอารมณ์เหมือนกันถ้าทํามันก็ออกได้แต่ว่ิธีเรามันก็ผูกพันอย่างนี้ว่ามันติดกับอดีตัมากมันเคยไม่ออกอดีตก็อย่างที่ว่านะได้มาจากไหนมาจากพ่อพม ถ้าผมประทานมาให้อดีตเขาสอนเป็นนิทานธรรมะนะอันนี้หมายความว่าชีวิตคนจริงๆจะบริสุทธิ์ในเบื้องต้นเนี่ยประมาณสามสิปีสาสิปีนี่คืออายุคนอายุคนประมาณจริงๆเนี่ยสามสิปีสาสิปีชีวิตคนแต่อีกสิบปียี่สปีนะีไม่ใช่ชีวิตเราอะเห็นไหมเราเกิดประมาณประมาณสักอายุสักหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ สาปีในชีวิตจะโลดเล่นสุขสบายมากรู้สึกว่มันฟรีทําการทํางานจําวนหนึ่งก็รู้สึกง่ายๆรู้สึกเป็นอิสระภาพมากแต่พอเรียนจบการศึกษาแล้วมึงเอ้ยได้พอดีแล้วจบมาแล้วนี่มีแต่ ง, งา น, อ, น, น, งานอันนั้กับงานอันนี้กับงานหาแต่เงินเลยทีเนี้ยอายุอะไรอายุควายมีแต่อายุเราแนละ้วโยมอือ ดังนั้นถ้าจะให้ดีนะพอถึงอายุใช้ชีวิตทางโลกประมาณสามสิบปีแล้วรีบผูกคอตายเลยไม่เอาละอายุควายนี่กูไม่เอ า, วอาควยาควยนี่มาจากว่าคุยหะนะเป็นศัพท์เดียวกับวัยวะผู้ชายนี่เป็นภาษาบาลีนะคืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะแบบนั้นเขาจะใช้เป็นอายุควาย มันชอบต่อสู้ชอบดิน้นชอบลนชอบบกุนะบกบุกเอาเป็นเอาตายนะชอบอายุประมาณสักนี่แหละ30ิถึงห้าปีเนี่ยอายุจะโง่คือทุกทรมานมากห่าแต่เงินแต่ทองนะเห็นไหมฮหาเงินเอาเป็นเอาตายลามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ละช่วงนี้นะตรงท่านเขบอกเฮ้วัยวรุ่นประมาณสักเขาเรียนหนังสือเรียนปริาตรีพวกเนี้ยโมหถึงบริญาตรีเนี่ย ช่วงนี้ปฏิบัติธรรมจะดีจิตมันจะโลดเล่นดีปัญญามันจะฉลาดเฉลียวดีแต่พอช่วงนี้ขึ้นมาแล้วจะแย่แล้ะพวกควายปฏิบัติมันจะลําบากอะเนี่ยเพราะมันต้องดันต้องสู้เห็นไหมต้องหาเงินหาทองเพื่อลูกเพื่อร้านเพื่อพ่อเพื่อแม่ต้องซื้อที่ดินที่ดอนต้อ ง, อ, ง, อ, งอายุควายทั้งนั้นแต่พอแก่มาจากห้าสิบขึ้นถึงเจ็ดสิบเนี่ยเป็นอายุ หมาอายุหมาคือมาเฝ้าทรับสมบัติแหละที่นี่นั่งอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้นโอ้เอา น, นั่นก็เฝ้าเหมือนประตูนี่แหละ <c oughs> อ, อ๋อเขาว่าเฝ้าเมื่อคืนเขาว่าอยู่สองตายายเฝ้ารีสอร์ทเนี่ยแต่เข า, าไม่ได้เฝ้าธรรมราตัวเขเฝ้าเดินจุงกลมเนี่ยอันนี้ยคนเรลี่ย ง, งกันนิแต่อายุนี่าจะประมาณนั้นชีวิตเนี่ยพร อ, อายุห้าสิบถึงเจ็สิบเนี่ยอายุหมา คือคือเขาไม่ได้พูดถึงตัวหมานะหมายถึงว่าจิตอันนั้นจะมารักษาทรัพย์สมบัติสามสิถึงห้าสิคือหาทรัพย์สมบัติหาเขาเปรี่ยบเหมือนควายอันนี้ก็เหมือนสุนัขต้องเฝ้าทรัพย์สมบัติเราเราเงินพวกเฝ้าของไม่มีเนี่ยหมานี่สมบัติทั้งหมดเป็นของมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่แต่มันเฝ้าให้คนอันนี้ก็เหมือนกันเนะ่ะเรามาเฝ้าให้ลูกนะเนี่ยเฝ้าให้หลานเฝ้าให้ใครก็ไม่รู้เนะี่ยเฝ้าของที่มันไม่มีอ่ะ แล้วใครมาเพี้นผ่านใครนั่นใครนั่ว่าลูกลาหลังแล้วอันนั้นได้ม่เราเห่าเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหอโหเห่าคนนะคนนี้ดูดา่าประตูก็เพิ่งหยุดเห่าสามีเน่ย <c> เ <oughs> อากินยาพุทธโอสถเข้าไปบ็เลิกเห่าอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเนยะยังลูกชายเขาว่าโอคุณแม่นะ่ะเห่าจังนะัะสมัยนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต่อไปทบทวนบท บ, บาทชีวิตเราดินี่ผ่านมานะ เราใช้อายุอะไรถ้าไม่อยากให้มันเป็นก็คือสลายสร้างใช้วิปัสสนาเข้าไปมากินยาซะกินยาสติกินยาวิปัสสนาเนี่ยเอาน้ํายาอี่ย้ํายาวิปัสสนามาล้างใจล้างภาวะของความที่พระพรมท่านสาบมาเนี่ยสุดท้ายตอนแก่ๆมาเนะ่ยอายุอะไรบริงอายุบลิง กินแล้วก็อกว่าไม่ได้กินนกเงินเงินแต่ก่อนก็ยืนตรงๆแต่พอแก่มันก็ถือไม้เท้านะสามขาแล้วก็ลูบหนวดลูบเขาลูบฝก็มีนะเอามานั่นแหละพอแก่มันแล้วก็จะเป็นอย่างนั้กินก็ไม่ได้กินพูดก็ไม่ตรงหลงลืมนะเดี๋ยววิ่งไปตรงโน้นวิ่งไปตรงนี้วิ่งไะหาหล า, านคนนั้นหาลูกคนนี้ไปทั่วนะ เพราะมันไม่ใช่อายุเรามันเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนชีวิตเราสิปีอาบ น, น้าบัหนาวส้าปีเล่นสาวบเบื่อสาสิปีหงมือก้นไก่สี่สิปีไปหน้ามาถอดหุย่าสิบปีเป่าคุยบรดำห0สิบปีเป็นไรห0สิปีเอ่อบ่เอาโม่พวก 70ปีนักหนวกมาโหู80ปีอันนี้ปรัชญาชีวิตนะคือมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะชีวิตเราถ้าว่าเออมาสลายซะทำลายคำสาบของพระพมซะโดยการเจริญสตนะิกินยาเม็ดนี้เข้าไปแล้วก็จะหายยาอะไรยาตัวรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวนี่กินมากๆนะ มันดีกว่าเบนด้านะเม็ดเดียวครั้งเดียวอันนี้ก็ยิงนะไม่ได้กินเป็นเม็ดเลยนี่รู้สึกเฉยเฉยนี่กเอานั่งดีๆช่างตัดผมช่างเจาวานิ่งแรงช่างตัดผมนี่ก็มากับคุณอพี่สิทธิ์นะถ้าอยู่กลุ่มเพื่อนสติลงตาโฆษณากลุ่มให้หน่อยเด้อเพื่อนสติและสมัครเพื่อนเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม้วยการนี่เข้าใจจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแลปฏิบัติธรรมที่นั่นคนที่ไหนที่ที่ทรักนะ ที่จะพ้นจะกําสาปผะผมเนะี่ยเขาจะอยู่กลุ่มนี้ไปปฏิบัติธรรมจ เ, เรจิญสติเขาก็จะนับเขาบอกกันหรอกอย่ากไปปวิบัติธรมที่โน่นที่นี่ไหมเรื่องอไปปฏิบัติธรรมช่างผะผมนี่ก็มีความก้าวหน้าดีเลยปฏิบัติธรรมก็สมัครนานหรือยังครับเข้ากลุ่มเนี่ยสมัครตั้งแต่สมัครมาถึงวันนี้ประมาณ เออได้สเดือนกว่าได้กี่งานละเออสามงานลเลยเด็งานละเจ็ดนะเนาะงานละเจ็ก็สามเจ็ดยี่สิบวันเลยเนี่ยอาชีพตัดผมก็ปล่อยวางยังยังทําอยู่ไหมทำอาชีพทำงานไะเออกลับไปก็ทำใช่ไหมเออตอนมาเนี่ยเขาทํางานสูงงานกินบนหัวคน แต่เขาก็มีความสุขนะ่ได้ปฏิบัติธรรมจังแต่ผมมามาเล่าให้หลวงตาฟัางว่าหลวงตาครับผมกลับจากวัดไปขังก่อนไปไปเจอภรนะรยาเล่าได้นะเล่าได้ไหมเล่าได้เนะ้ะนิดหน่อยนะคพื่อเามีควา ม, มรู้สึกว่า คือเขาไม่คิดอะไรกับปัญญาเขาปล่อยวางได้เจอแล้วเนี่ยปัญญาวิ่งมาเกาะนี่อุย้ยศีนจะตกนั่นนี่เขาก็ค <c oughs> ือตกใจอะตกใจวอุย้ยศีนจะตกนั่นฉันไปปฏิบัติธรรมานะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้อุ้ยปล่อยวางปล่อยวางเข า, าเลยปล่อยวางเลยนะปล่อยวางภรรยาไปเขาก็อยู่เขารู้สึกว่าใจมันดีมากเลย มันโล่งมาผิดปกติแล้วคือมันทำใจได้ตอนนั้นก็คือคือไม่นึกว่าจิตมันจะเป็นหนึ่งนั้นเน่แล้วก็ใจสบายแล้วก็อยากแสวงหาสัากจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเนี่ชีวิตเนี้ยมันเริ่มมองชีวิตไปอีกมุมหนึ่งทำใจได้ไหมถ้ากลับไปนี่พัญญาหายนี่ยังนะยังยังไม่แน่ใจนะเออไม่มันเห็นว่ามันเราเป็นที่พึ่งมันไม่ได้มันก็จะหาที่พึ่งใหม่ได้บางที อุตส่าห์กลับไปแล้ววิ่งมากอดเราวิไม่ได้นี่นี่ผิดศีนลนะเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางศีลออกนะมันก็จะตกใจอะไรวะทวไมจะตกใจนะแล้วก็เหมือนกันนะชีวิตโมตาก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยเออคุณธรรมเรายัางดีขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ต้องพัฒนายเยอะๆหน่อยเพราะมันเสียของรักของพอใจไปแล้วมันจะคิดมากพอดี อันนี้ไม่ได้มายว่ากลับไปมันจะเสียนะ <c oughs> หมายว่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> เขาไม่เสียไปวันนี้มันก็ต้องตายจากเราดีๆวันในวันหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละคือเราต้องต้องหลักของอ น, นิจจังเราต้องชัดเจนต้องเห็นสัจธรรมมันชัดปล่อยวางมันชัดมีโยงคนหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเป็นผู้ผู้ชายเหมือนกันเป็นเจ้าของ บริษัทของอะไรเงี้ยทำปฏิบัติธรรมคนลงตาได้แปดเก้าวันสิบวันพอกลับไปแล้วปฏิบัติธรรมตลอดเลยภรรยาเขาก็มาฟ้องหลวงตาโอ้โหอันนี้มันเข่งคัดเกินไปเข่งคัดเกินไปคือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทางานปฏิบัติธรรมมีแต่ว่า เขาเข้าไปด้วยกันนะภรรยาก็ไปไปฏิบัติธรรมสามีก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าภรรยาบอกว่าเขาเข่งคัดเกินไปก็มาปรึกษาหลวงตาได้ว่าสามีเลยมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าเขาเข่งคัดแบบไหนนะก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแล้วพันสามีไปถามว่าหลวงตาผมทําถูกไหมถูกถูกแล้ว ปัญญาก็มาถามว่าลุงตาสามีหนูเป็นอย่างนี้นเนี่ยปฏิบัติทํากลับไปได้เป็นวนี้หลุงตาคิดว่าทําถูกหรือไม่ถูกนี่ของต า, าไม่ถูกหนูก็ว่าเองใช่ไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนาะคนหนึ่งก็ว่าอยนคนหนึ่งก็ว่าอย่าคนคนหนึ่งมาแล้วก็ว่าไปเจอหนึ่งนะฉันไปนปรึกษาลุงตามแล้วเนี่ยอีกคนก็พูดฉันก็ไปปรึกษาไมา่ห น, น, น, น, นูว่าแล้วท่านว่าอย่างไง ว่าคุณทาไม่ถูกเอา้าท่านก็ว่าฉันทาถูกนะนี่นะนก็โทรมาถามไอ้หลวงตาที่พูดไปนี่พูดจริงหรือเปล่ามันมันอันดังในถูกกันแน่ถูกทั้งสอ ง, ง, สองมันถูกของใครของมันคนความคิดมันไม่เหมือนกันหรอกคนหนึ่งจิตแบบหนึ่งคนหนึ่งจิตแบบหนึ่งคนหนึ่งจะพัฒนาไปเตหนึ่งอีกคนหนึ่ง พ, พัฒนาลงไปอีกแบบหนึ่งแหละมันคือเรื่องของใครของมันแลว่าเธอพูดเธอมองเอาไงแล้วเธอจะเอายังไง เอาขึ้นขนกลางกลางดีไหมเห็นไหมจูนเข้าหากันก็ได้มันก็จะได้คุยเขาเอาไว้เอามาทักจะอยู่ด้วยกันไหมถ้าอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันก็มองมองชีวิตที่มันเป็นจริงนะอย่ามองชีวิตมันหลุดโลกคนหนึ่งก็เหมือนกันจะอยู่ด้วยกันยังก็ยังถือไม่ตายจากกันนะเขาจะตายจากกันอยู่นะเนี่ยจะตายจากเรานะเขาจะนั่นนะเธอมองแบบ แบบว่ามันต้องเสียนะ่ะสักวันหนึ่งชีวิตเนี่มันต้องเป็นแบบนั้นนะ่ะถ้ามองความเป็นจริงบ้างแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามองว่าแบบไม่เสียคนหนึ่งก็คือแบบปล่อยให้มันเสียไปตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะทุกอย่างคืออันนี้จังอยู่แล้วเนี่ยอันนันก็เกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะถ้าไม่อยู่ด้วยกนันก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็หลงตากินเฮ้ยกูเป็นคนก่อเรื่องหรือเปล่าวะเนี่ย จรงมไม่ใช่นะเราไม่ได้ขอเรื่องก็ว่าปฏิบัติธรรมกับเราก็เอาก็ช่วยเข้าไปคุยกันไปอาไรต่าก็อา้าดีขึ้นปัจจุบันดีนะมันจูนเข้าหากันได้ดีแล้วมันก็ดีปกติจะมีหลายคนนะ่มองโลกที่มันไม่ดีผู้หนึ่งสามีปัญญาเป็นในร้อยนะทาปฏิบัติธรรมนะที่แรกเมียมันบ่นมากเมียเน่ะไม่ได้เป็นในร้อย เป็นแม่บ้านเป็นคนบ่นงนบนอย่างนี้ผนะัวมหาลงตาก็เลยอยากเอาเมียมาดับสันดานก็เด้เอาเมียมาฝากไว้ปฏิบัติธรรมแต่ก่อนนั้นภรรยานี่ชอบกลัวสามีจะทิ้งเอาใจใส่ดีมากทำกับข้าวปลาหารวันหนึ่งหอย่างบนโต๊ะให้พี่กินวันเสาร์อาทิตย์นี่จะแกะเล็บ ขูดเล็บตีนเล็บมือนี่นะก็เป็นช่างแล้วก็สะผมให้เอาหัวซุกก็ไปในอันใหญ่ๆนะั่นน่ะแล้วก็ขยี้ขยี้อะไรพวก่แก เ, เล็บอันนั้นนี่พอปฏิบัติทากลับไปแล้วไม่ทําเลยอาหารก็อย่างเดียวประตูอันเดียวน้ำพริกก็มีบ้างมาวันก็ไม่มีสามีเอามันเป็นอะไรของมันเนี่ย หัวก็ไม่สระให้เลยวันเสาร์อาทิตย์ไม่สระหัวแล้วเฮ้ยสระเอาสกปรกบอกอสุภะมียว่าอาสุภะหัวนะนะั่นน่ะสระเอาเองดิเล็บมือเล็บเทา้าเลวไม่แก่แล้วพี่ไปเที่ยวนอกบ้านก็ได้นะไปเลยไปเลยฉันไม่เอาฉัานหลงมาต้้งนานนะเล็บมือเล็บเท้าก็แกะเอาเอางตีนมือก็มีเนะี่ยพันยาว่านะี่ยพันยาขี่รถเมียสา ม, มีขี่รถบึงมาวัดลวงตา ไปปกเสกอะไรทำไมมันไม่ปกติอะกลับไปบ้านมันใส่น็อตผิดหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นยังไงวะข้าวแต่ก่อนอะห้าอย่างวันหนึ่งอะหมดตั้งสามร้อยแล้วตอนเช้าตอนเงินเขาผมเป็นคนจ่ายนะครับกับข้าวกลับอะไรเนี่ยก็ก็ทําดีอะแต่เดี๋ยวนี้สามอย่างก็อย่างนี้นี่หนึ่งอย่างโอ้ย ผมตื่นมาไม่เห็นอาหารเนี่ยก็แค่นั้นบางทีก า, งกาแฟก็คือให้ชงกินเองผมว่ามันเกินไปแล้วมากแล้วเขาว่ า, างไงเวลาผมบอกว่าใหม้มันบอกว่าอย่าปรุงแต่งนักเลยมีอะไรก็กินไปเถอะกินอะไรก็ขี้ออกเท่านั้นแหละเอา้าคาหวานคำอะไรก็ไม่มีเลยว่าเอา้เอานายโยมบอกว่ามันไม่มีธรรมะไลยมาปฏิบัติธรรม โยมนะ่ะรู้ธรรมะแล้วอยากจะให้ภรรยารู้บ้างนะพอภัญญารู้นี่เอาธรรมะของจริงมาใช่เล่ากับรับไม่ได้ดูหลวงตามผมเอามาให้ซ่อมใหม่ได้ไหม <c oughs> โอ้ยอย่ามาบ่อยนักเลยว่าเอาคนนั้นคนนี้มาไม่เรียนะมันเกิดปัญญาดีเลยปัญญาไม่ได้มาอย่ามาซ่อมใหม่หลวงไม่ต้องมาซ่อมใหม่หรอกแล้วแต่ถ้าเขาสมัครแกมาต้อมา ที่ปัญหาว่าเขาผิดปกติถ้าผิดปกติเขาที่ไม่อยากมาภรรยามาเราตาเาว่าสามีโยมว่าจะเอาโยมมาซ่อมนะโยมผิดปกติมันนั่นแหละผิดปกติมันไม่รู้สัจธรรมเนะี่ยปรุงแต่งอยู่ต้องกินนั่นนี่ขี้เกียจก็ฉะนั้นนี่วอเข้าแต่ละวันให้โยมนี่เป็นคนสะหัวสซนสินนี่มันมีกล่องเดียวเนาะสาได้ทั้งหลายครั้งนะ่ยเอาทำมันไปนอกบ้านล่ะ ไปนอกบ้านมันจะแย่ได้เนี่ยมันเกิดปัญหาเลยมีปัญหาอะนนี่ปูพันมาติดแสติดเสาติดโลกติดภยัยติดโน่นี่โยมเนี่ยจะลําบากต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องเอื้อเฟือได้อะไรงี้เพราะมันประคองกันอยู่ได้เขาว่าโยมก็เหมือนกันนะ่นลงตากับไอ้โยมก็ไม่ได้กินอะไรนะั่นกินแค่เนี้โวงก็อยู่ได้นะไอ้ที่ทํานี่จะสอนเขาสอนให้มากน้อยสันโดด จริงๆชีวิตก็ไม่ปรุงแต่งก็ไม่มีอะไรหรอกกินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้พึ่งพาตัวเองวันเวลาที่ผ่านไปนี่เราก็พัฒนาสังขันร่างกายเราเองดิอัไหที่มันไม่ดีอะไรก็ทำํำช่วยกันปัดกวาดเจ็ตถูบ้านเรือนนะ่ะไม่ใช่หนูเป็นภรรยาก็ให้แต่หนูทําะไรนี่หนูไม่ได้เป็นข้ารากรก็จะว่าให้แต่จะหนูจะหนูทําเนีย มันเหมือนขม่มต่อไปหนูไม่เอาละเลิกทาตุละคือไปคุยมาถ้ะเลิกทานแล้วมาอยู่วัดดิชวนมาอยู่วัดแล้วตอนมาไปอะไรอยังเก็บเก็บข้าวเก็บของก็มาอยู่วั ด, เ, เ, เ, เ, ว เ, วดเดิที่กรมู่ที่วัดทั้ความเพียบพอําไปทำมามเกิดรักสามีขึ้นมาทีเนี้ยอยากกลับไปบ้านจะไปปฏิบัติต่อครับเอยมันตอนก่อนมันคิดทบทวนยังไม่ดีเท่าไหร่ธรรมะมันมาแรงเกิน กลับไปก็เอาใจใส่เขาละเหมือนกันนะเวลาเรามาปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านเนี่ยเราไม่ดูหน้าดูหลังเหตุผลต้นประมาณการบุคคลเลยเราไม่ดูมีแต่จะเอามาสร้างจังหวะอย่างเดียวทั้งหมดีคุณคุณฉันไปปฏิบัติธรรมานั่งลงจะสอนวิธีโอ้มันก็เกินอะไรวะเนี่ยสามีก็ตกใจแหละมันยังไงกันแน่เนี่ยค่อยๆสอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆบอกกล่าว หรือกลับไปก็นั่งสร้างจัตวบางทีมันก็สงสัยนะญาติเรานี่กลับไปเขาจะแอบรูเราเป็นอะไรวะกูได้ยินว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมาทําไมลําท่านั้ทนทนี้ไม่มีดนตีไม่มีอะไรก็สนุกอยู่คนเดียวนะมันต้องตอบเขาให้เป็นตอบให้เขาเป็นบอกเขาได้ให้รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรค่อยๆบอกค่อยๆแนะคนเนะี่ยมันมีปัญญาคนเนะี่ยทุกคนมันมีปัญญาถ้าเราค่อยบอกค่อยสอนแล้วมีวิธีการอะไรที่ดีหน่อยมันก็ได้ เพราะอย่างที่ดวงตาว่านั่นแหละชีวิตมันถูกสาบมาการที่จะเอาคำสาบนี้ออกได้เนี่ยถ้าทำแบบจิตไม่ใส่ใจไม่ตามมันก็ไม่ออกขนาดของเรานี่ยัง อ, ออกอยากแล้วของคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะออกไปยิ่งลาบากสอนตัวเองแต่ก่อนนะสอนคนอื่ น, นง่ายนะสอนต้นคนอื่ น, นง่ายสอนตัวเองยาก แต่นักปฏิบัติทำจะไม่เห็นแบบนั้ น, นเพืเอนนะบอกว่าสอนตัวเองนะง่ายยังอะว้ายกูไปเดินจุกรมดีกว่าวไปเดินจุกรมดีกว่าไปสร้างจังหวะดีกว่าตัวผมไปสอนคนนั้นหน่อยว้ยไม่เอาอะสอนยากเนี่ยสอนคนอื่นจะยากนะมันไม่เอาด้วยนะเวลาไปสอนวะมันทีมักมนก็ถามว่าตัวเองดีพอหรือ ย, อยังเอาอีแลนท์ถูกคอนก็าฟาดใช้ถอยมานะมันไม่เอาด้วยนะ เวลาไปพูดไปคุไม่สนเนี่ยแล้วออลสอนคนอื่นสอนตัวเองนีกว่าง่ายดีธรรมะนี่สอนตัวเองง่ายดีแต่ทั้งโลกเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้สอนคนอื่นง่ายสอนตัวเองยากแต่ทางธรรมนี่สอนตัวเองง่ายสอนคนอื่นยากท่านพระกรรมฐ า, าเลยไลย่องค์ท่านคือไปอยู่ใน ด, ดงใน ป, าป่าเนสบายสบายเยทีเดียวไม่ต้องไปสอนคนนัน้สอนคนที่วุ่นวายตั้งใจนะตอนเช้านี่ตอนนี้อีก สิหนาทีเจ็ดโมงแต่มันก็ยังมืดอยู่เนี่ยถ้าออกไปถ้ามันมีแดดมันก็อยากออกมาตากแดดแต่ถ้าปล่อยตอนเช้ามันไม่มีแดดมันก็อยากเข้าไปตากผ้าห่มอะไรแย่เห็นไหมสอนคนไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะต้องทําใจด้วยด้ต้องทําใจด้วยเพราะว่าไปดึงคนอ่าจากสิ่งที่เขาชอบนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่ามันมากก็ไม่ได้มันเอาไปพูนาหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกแหละบางทีบางคนบอกให้มาปฏิบัติทำนี่ไปนอนผอมผ้าใช้ล่องตาเดินเข้ไปบางทีไปในห้องล่ตาเขไปดึงผ้าห่มมันบอกผู้หญิงนะก็ร้องตายเลยว่าเราไปดึงผ้ามันบอกไม่ใช่ดึงออกดึงผ้าห่มบอกให้เช่นให้บอกบอกมาเดินจูก้มคนอื่นเขาเดินจูก้มก็หมกแล้วมันไปนอนทําไมบางทีมันไหว ไปบอกคนหน่งมาหลวงตามาดึงผ้ากูเนี yeah. ต่อไปก็ไม่ไปเอาแอลนะ้วติดสายไฟฟ้าเอาไว้ตามเตียงนอนนะไม่ต้องเข้าไปเนี่ยหลวงตากดไฟฟ้าเป็นจังหวะจังหวะเอาชั่วโมงหนึงก็กดครั้งหนึ่งใหมันชอ็อตมันกระดุกตกออกมามันกระดิกออกมาแย่ yeah. ได้แต่บ่นในใจว่างงงงงแบ น, น, นี้มันมาปฏิบัติทําทําไมวะโม่ขนาดนี้ก็ยังมาอีก แทนที่มันจะนอนอยู่บ้านที่บ้านมันก็นอนสะดวกสบายมาที่นี่มันตุลน์ตุลายนะมันต้องกลัวครูบาอาจารย์กลัวคนนึงคนนี้เขาติเขาติติงนะเขาดุเขาด่เ า, ดาเขาว่านี่มาให้เขาดา่าทําไมยังเขาดูทําไมอยู่ที่บ้านดีแล้วแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือคนเกินร้อยที่มาที่นี่เกินร้อยสู้ตายเกินร้อยเออได้สติสัมบั ญ, ญิมันก็จะดีเพราะกิเลสมันไม่ธรรมดามันกล่อมเราไว้ แต่เราจะมาเห็นโอเคเจ๊โอ้ยคนยนั้นเป็นงี้ยมกล้าว่าเขาหลอกกลัวภาพพศเสียราแต่ไม่มีภาพพศนะไม่กลัวภาพเสียมีแต่ภาพไม่จะมีความจริงเนะภาพก็แค่นั้นน่ะพศก็คือไม่กลัวคนพูดนั่นพูดนี่เอาภาพไปใครจะว่าก็ว่าไปยินหน่หน่อยก็มรณาภาพแล้วมรณาภาพภาพ มันมีพจมันมีแต่ไปเพราะมรณะพก็ตายอะชีวิตยั ง, ง่ายง่ายใครเห็นวัดนหนึ่งเนาะวัดหนึ่ง ส, สวยๆนะใคยเคยไปถ้ำวัวใครเคยไปมั่งลงตาไปแล้วลงตาไปชอบวัดถ้ำวัวรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะถ้ำวัดของท่านยันตร์นะถ้ำัวยันตระที่ไม่ห้องสอนเนะมันอยู่ในหุบเขา เป็นอาณาจักรเลยภูเขาล้อมแต่ภูเขาบัดมันไม่ใหญ่เท่าไหร่มันล้อมดีที่อยู่ข้างในข้างในบางส่วนก็เหมือนสนามกอล์ฟแล้วก็มีสวนป่าในนั้าหลวนตาไปถามมีมีแต่คนอีสานผู้หญิงก็ไปปฏิบัติธรรมกันแล้วก็มีแต่ฝรั่งดีมากเลยที่นั่นคือหน้าอยู่หน้าตาย